ขนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยข้าราการพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตหมิกทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีรและญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> เราก็สำหรับกลุ่มปฏิบัติก็ปฏิบัติมาสามสี่วันแล้วเนาะก็คงจะได้เข้าใจนะการปฏิบัติหลายๆยอย่างนะเห็นเห็นถึงความเทพบ่าเรา ความรู้สึกตัวนะสิ่งเหล่านี้เราก็อาศัยนะการเคลื่อนไหวให้ใจรับรูนะ้เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวนะใจเขาไปรับรู้เราก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะในแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะเมื่อก่อนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้รับรู้อะไรนะเราก็เหมือนกับเป็นการเคลื่อนไหวที่เราเคยชินมาตลอดนะ ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนทำนูน่ทนทำนี่แล้วก็เป็นความเคยชินนะบางทีสมองไม่ได้สั่งแต่มันก็สามารถทำได้เองตามความเคยชินนะยิ่งบางทีเคยชิ น, นมากๆก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วก็มีนะบางทีก็ลืมหมดทุกอย่างนะทำแล้วก็ลืมไปเลยเพราะว่ามันเคยชินจนกลายเป็นความนะชำนาญไปแล้วนะนะมันก็ไม่ได้เกิดการรับรู้นะในการเคลื่อนไหวต่างๆนะ คนี้เราก็ฝึกให้ใจของเราเนี่ยกลับมารับรู้ในการเคลื่อนไหวต่างๆให้เขากลับมาที่จะรู้เท่าทั น, นอาการของกายต่างๆให้ได้ในตรงนี้นะเมื่อการรับรู้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ความที่เราจะหลงเข้าไปในอารมณ์ต่างๆมันก็น้อยลงนะความไม่รู้มันก็น้อยลง เพราะว่าสิ่งที่รู้ก็เป็นสิ่งตรงข้ามกับตัวหลงนั่นเองนะหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนเราก็หลงมาบ่อยๆนะหลงบ่อยแต่ก็ไม่ใช่หลงตลอดเวลามันก็มีการรู้อยู่ด้วยนะแต่ตัวรู้มันจะน้อยลงแต่เราก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนให้ตัวรู้เนี่ยมากขึ้นนะมาตัวรู้มากขึ้นตัวหลงก็น้อยลงก็ทำให้เรารู้เท่าทันการเคลื่อนไหวต่างๆได้มากขึ้น จากอีบทใหญ่ๆนะในการยืนเดินนะเดินเดินนั่งนอนต่างๆเราเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการที่เราจะเดินจงกรมนะให้รู้ในโบทใหญ่บ่อยๆขึ้นนะเดินไปก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะครั้นะ น, นี้พอเราเดินแล้วเราอาจจะเมื่อยนะเราก็มาเปลี่ยนนิบทมาเปลี่ยนเป็นนั่งนะมานั่งสร้างอย่างว่นะยกมือเคลื่อนไหวนะนนี้ก็เป็นการนั่ง และในขณะเดียวกันก็รู้เท่าทันอีกบทย่อยคือการคู่แขนเหยียดแขนโดยการแล้วก็ฝึกให้มีการต่อเนื่องกันนะเพราะถ้าเราไม่ยกมือสิบสีจังหวะมันก็ไม่มีการต่อเนื่องมันก็รู้เป็นบางครั้งบางขณะเท่านั้นเองนะเช่นเราอาจจะคู้แขนเหยียดแขนในการทำกิจวัตรประจาวันก็มีหลายอย่างนะาเช่นซักผ้าแปรงฟันอาบน้าทานข้าว สัต่างๆก็เป็นอิบทย่อยอยู่แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องกันเท่าเด็กควรเราจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนครั้นี้เราก็มาเป็นรูปแบบขึ้นมาในการที่เราจะเคลื่อนไหวอิบทย่อยให้ต่อเนื่องกันก็1ิบปีจังหวะทําเช่นนี้ยมันก็ต่อเนื่องกันได้ยาวขึ้นแล้วเราก็คอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันก็เป็นการาไปเขย่าให้จิตเนี่ยเกิดการรับรู้ได้บ่อยๆนะ รับรู้ได้บ่อยๆท่านรู้ก็จะได้เจริญเติบโตขึ้นมาพอจเจริญเติบโตขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็ค่อนข้างที่ว่าจะมีความเคยชินและมีความชํานาญในการที่จะรับรู้สิ่งต่างได้มากขึ้นนะหรือจะเรียกว่าเขาก็อาจจะตื่นขึ้นมาในการรับรู้ได้ชัดเจนขึ้นพอจิตตื่นแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความ ล่งโป่งขึ้นมาในตรงนั้นนะจากการที่เราเคยไปจมไปแช่หรือหลงหลงไปในการต่างๆจิตก็จะมีความเบิกบานขึ้นมาแล้วนะเขารับรู้ได้โดยตัวของเขาเองนะก็ใส่การฝึกนะตั้งแต่ต้นนะเหนะมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นให้มันเข้มข้นก่อนนะเช่นนะอย่างเรือยนตสมัยก่อนนะเรือยนต์สมัยก่อนนี่ก็ต้องเผาหัวก่อนนะ รถยนต์สมัยก่อนนี้มันต้องใช้เตาฟู้เตาฟู้แล้วก็ไปจุดแล้วก็ไปเผาหัวพอเผาหัวร้อนๆแล้วเครื่องยนต์ก็ติดได้นะนะก็เหมือนกันนะก็ต้องอาศัยความพยายามในการที่เราจะเผาหัวมันนะเผาหัวก็คือเรามาทำาให้มากๆหน่อยในขั้นแรกน ะ, นะฝึกเข้าเป็นก่อ น, นซึ่งการฝึกนี่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมีความอดทนหลายๆอย่างเนาะ เรามาอยู่วัดนะบางคนก็ไม่เคยมาอยู่วัดมาก่อนก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายนะสถานที่พักมันก็คงยังไม่สบายเหมือนที่บ้านเรานะอาหารการกินก็คงไม่เหมือนนะสถานที่ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะตรงนี้เราก็ต้องมีความอดทนในตรงนีนะ้และการมาฝึกกายฝึกใจก็ไม่ใช่มาหาความสะดวกความสบายนะแต่ว่าเราก็มาฝึกให้เขาเนะี่ย มีความอดทนด้วยนะให้ใจเราเนี่ยรับรู้กิเลสของเราเองว่ากิเลสเราเป็นอย่างไรกันแน่นะแต่จริงๆเรามาอยู่ไม่กี่วันเรายังไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราอยู่หลายๆวันเราจะเริ่มเห็นกิเลสในตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นว่าใจของเราเนี่ยมเรียกร้องหลายๆอย่างนะเรียกร้องความสะดวกสบายที่เราหายไปนะเรียกร้องอาหารการกินที่เราชอบนะ เรียกร้องสิ่งต่างๆที่เราเคยดูเคยฟังแล้วมันมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินมันก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาลเราก็รู้จักกิเลสของเราให้ชัดเจนนะบางคนที่จะละกิเลสได้เนี่ยก็คือต้องรู้จักกิเลสตัวเราเองะก่อนนะรู้จักตัวเราเองให้ชัดเจนรู้จักตัณหาอุปทานในตัวเราให้ชัดๆเนี่ยอืเพราะเมื่อก่อนถ้าเราไปสนองกิเลสของเรา เ, เร็วเกินไปนะเขาใหญกจะ ก, กินแล้วก็ให้เขากินทันที เราก็ไม่เห็นกิเลสในความอยากนี่ได้ชัดเจนนะเขาอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็ไปเที่ยวดันทีนเราก็ไม่เห็นกิเลสตัวนี้ชัดเจนหรือเขาอยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อให้เขาดันทีเขาอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็สนองทันทีเนี่ยมันก็ไม่เห็นกิเลสชัดเจนอันนั้นก็เรียกว่าไม่ได้มาฝึกตัวฝึกตนแต่ถ้าเรา <c oughs> เราอยากจะละ ก, กิเลสจริงๆแล้วเรารู้ว่าเออกิเลสตรงนี้มันไม่ดีเนาะ ความอยากความโลภความหลงทั้งหลายมันไม่ดนะีเราก็ต้องรู้จักให้ชัดเจนก่อนการรู้จักชัดเจนก็คือเราจะต้องเห็นเขาให้ชัดการเห็นเขาให้ชัดก็คือต้องให้เขาแสดงตัวออกมาให้ชัดเจนนะไม่ว่าลมต่างๆความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายให้เขาแสดงให้ชัดออกมานะเราก็เรียนรู้เขาในสิ่งเหล่านีนะ้แล้วเราก็ไม่ไปตามใจเขา ก็ลองฝืนเอาไว้ก่อนนะฝืนกิเลสเราจะ้เห็นกิเลสเนี่ยเขาก็ชัดมากขึ้นเรื่อยๆจนในสุดเขาก็แสดงตัวออกมาว่าเขาเป็นอย่างไรแน่เมื่อเรารู้จักเขาชัดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะละเขาได้ง่ายขึ้นนะเราก็จะมาฝึกตัวฝึกตนกันในตรงนี้นะเพื่อให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเราหลายๆอย่างนะจะได้แสดงตัวออกมาชัดก็เหมือนกันในสมัยพุทธกาลก็มีมีพระ อยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปปฏิธรรมกันมานานถึงขั้แล้วจนคิดว่าพวกตัวเองนี่บรรลุเป็นพระลาหนหมดแล้วนะวันหนึ่งก็รวมกลุ่มกันมาเฝ้าพระเจ้าพระเจ้ารู้แล้วว่าพระกลุ่มนี้ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครบรรลุเป็นพระลาหนนะก็เลยบอกให้ไปรอที่ป่าช้าก่อนคราวนี้พระตอนเย็นก็มีมาผู้ที่นําอศพผู้หญิงที่ยังสดสดอยู่มาไว้ที่ป่าชา้า พระกลุ่มนี้ก็ไปไปดูศพนะเพราะการดูศพนี่ก็เป็นการเจริญอสุภะกรรมฐานหรือปฏิกูลกรรมฐานสมัยในยุคนั้นอย่างหนึ่งซึ่งทำแล้วจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในขันท่าพระก็ไปพิจารณากันก็ไปเห็นศพซึ่งยังสดสดอยู่นะมีความสวยงามนะก็เกิดราคะขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์นะก็เร่งความเพียรกัน ในสุดก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาเฝ้าพระเจ้าได้อันนี้ก็อะไรหลายอย่างก็ต้องดูว่าเราเป็นอย่างไรกันแน่เนาะอืไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วหรือเราไม่มีกิเลสอะไรอย่างนี้ก็ต้องสังเกตให้ชัดๆว่าเกิเลสของเราในมีอยู่เยอะไหมนะจริงๆแล้วกิเลสมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันละง่ายๆหรอกมันก็ซ่อนตัวอยู่แล้วมันก็หลบซ่อนอ่า ม, ม, มุมนู้นมุมนี้หรือแสดงออกในรูปแบบอื่นเราก็รู้ไม่ทันเขา หลายๆอย่างก็ต้องสังเกตติดใจเราให้ถนัดชัดเจนให้ได้นะตรงนี้มันจะได้ละได้จริงๆครา้นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราการมาอยู่วัดก็ได้ประโยชน์ในตรงนี้ว่าเราไม่อาจจะสนองกิเลสเราได้เร็วเนี่ยเขาก็จะได้แสดงตัวมาได้ชัดเจนนะจะได้เห็นสิ่งเราเนี่ยได้ชัดว่าเราเป็นคนอย่างไรกันแน่รู้จักตัวเราอย่างแท้จริงนะเพราะการไปบัชทำก็คือกลับมารู้จักตัวเราเอง เรามีอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะมีความโกรธมากไหมเป็นคนขี้เหงาเป็นคนขี้ลาคาญขี้หงุดหงิดนะใจร้อนเป็นคนรักใครเก่งอหรือว่าเกลียดใครเก่งนะวันๆหนึ่งก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ชอบคนนู้นเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้อะไรเงี้ยนะสังเกตจิตของเราให้ชัดเจนในตรงนี้ให้ได้นะอ ถ้าเราจริงๆแล้วถ้าเรารู้รจักตัวเราใ ห, ใ, หให้ให้ชัดเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะเราก็จะละกิละเลสเหล่านั้นได้แล้วนะแต่ว่าคนเราส่วนมากก็จะพยายามที่จะหนีความจริงในตรงนี้นะเวลาใครเข้ามาวิพากษวิจารณ์เราเราก็พยายามหลบเลี่ยงนะไม่อยากฟังหรือไปโกรธคนวิจารณ์เราก็มีนะหรือใครก็มากระทบทำให้เราเกิดความโกรธเราก็ไม่พอใจโอ้เขาทำให้เรากโกรธแล้วแล้วก็ไปโกรธเขาอีกนะ จริงๆแล้วนั่นล่ะก็คืออาจารย์ใหญ่ของเราอาจารย์ใหญ่ที่สแสดงให้เราเห็นว่าเราเนี่ยมีอะไรหลบซ่อนอยู่ในใจไหมมีกิเลสมากไหมบางทีก็เคยมีมียาดโยมเข้ามาหาอาตมาที่กุฏิแล้วก็มาบอกว่าไม่มีเวลามาอยู่วัดอยากจะมาอยู่วัดมากเลยนะมาอยู่วัดก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่นะ ไปอยู่ที่บ้านก็มีปัญหาเยอะกับสามีต่างๆทะเลาะกันบ่อยๆนะสามีไม่อยากให้มาวัดเนี่ยมีความทุกข์มากน ะ, นะก็เลยอธิบายเขาฟังว่าเออจริงๆแล้วนะมันก็ไม่ยําเป็นหรอกถ้าเรามีโอกาสมาอยู่วัดก็มาเถอะนะมีจังหวะมีโอกาสมาก็มาแต่ถ้าไม่มีโอกาสมาวัดก็ไม่เป็นไรนะ ไม่งั้นเราจะมีความทุกข์ในตรงนี้อยู่ตลอดเวลาก็อาศัยบ้านนั่นแหละเป็นวัดได้นะถ้าเราเข้าใจาการบริวัติธรรมจริงๆอิงเราที่สามีเขาโกรธเราบ่อยๆนั่นแหละจริงๆแล้วก็คืออาจารย์ใหญ่ของเรานะจะได้รู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นย่งคนอย่างไรแนนะ่ถ้าเราทนความโกรธไดนะ้อดทนต่อความโกรธแล้วเราไม่โกรธนะปล่อยวางความโกรธได้ <c oughs> อันนี้แหละมันถือว่าเราเก่งมากนะอนะ่แต่ถ้ามาอยู่วัดแล้ว เรายังกระทบอารมณ์เราเรายังโกรธอยู่ <c oughs> เราเราออกจากความโกรธไม่ได้อันนี้ก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติธรรมในจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดหลอกนะ <c oughs> มันไม่จําเป็นต้องปฏิบัติที่วัดหรือปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใดทั้งสิ้นนะ <c oughs> แต่ปฏิบัติที่กายและใจของเราเท่านั้นเองนะ <c oughs> <c oughs> เรารู้จักกายและใจเราดีไหมนะ ถ้าเรารู้จักกายและใจของเราแล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกแห่งที่มีกายและใจเราอยู่เพราะกิเลสทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายและใจเราเนี่ยแหละเท่านั้นเองนะมันจึงการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นแหละไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าสามีเราเป็นแบบนั้นแล้วเราทนได้เนี่ยเราเก่งมากนะเราสามารถที่จะผ่านความโกรธได้ความขัดเคืองต่างๆได้ก็เหมือนกับเรา ได้คู่ชกซึ่งเป็นนักหมวยจริงๆนะเขาก็เตะเรามาเราทนได้ไหมเขาต่อยเรามาเราหลบได้ไหมอันนี้ถ้าเราถึงจะเก่งจริงนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเงียบๆไม่ได้เจอกับกระทบอารมณ์ต่างๆอยู่ในที่เงียบเลยไม่ได้พบกับใครเราอาจจะคายๆเป็นชกกับกระสอบทรายเท่านั้นเองแลก็ไม่รู้ว่าเราเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะทนไหวไหม เพรนั้นมีครูบาอาจารย์บางองค์ก็บอกว่าการที่เรากระทบอารมณ์บ่อยๆนั่นแหละอาจจะทําให้เราก้าวหน้ายิ่งกว่าเร า, ามาบวชหรืออะไรซะอีกนะเพราะว่าถ้าเรากระทบแล้วเราออกจาลมได้ไม่ติดอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเราก็ใช้ได้แล้วนะเนะีเป็นการที่ว่าเราจะได้เข้าใจในตรงนี้กันนะเพราะว่าบางท่านก็คงไม่มีเวลาอยู่วัดนานนะยังกลุ่มปฏิบัตินะก็เป็นนักศึกษาวิทย์พยาบาลสุรินนะก็หลังจากนี้ไม่กี่วันก็คงจะ ก, กลับไป สถานที่ศึกษาของเราแล้วนะโอกาสาที่เราจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมมันก็ยากนะแต่ว่าเราเราไปเจอของจริงในการที่เราอยู่วิทยาลัยนะของจริงที่วิทยาลัยมันก็จะมีอารมณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะความโกรธความหมงุดหงิดความขัดเคืองทั้งหลายก็ต้องมีแน่นอนนะซึ่งนั้นก็เป็นการที่เราต้องไปฝึกในตรงนั้นพอหน่อยถ้าเราไปทํางานในโรงพยาบาลเราจะยิ่งเจอลมมากกว่านั้นต้องไปเจออ่า อารมณ์ของคนไข้คนป่วยซึ่งมีความทุกขนะ์วันวันหนึงเขจะมากันเยอะแยะไปร้อยร้อยคนเนี่ยเราจะาทนอารมณ์พวกนั้นไหวไหมนะหรืออาการที่เราต้องทํางานนะต้องนอนดึกนะต้องมีกระทบกระทั่งกับผู้บังคับบัญชาตนะ่างๆเราจะทนไหวไหมเนะี่ยตรงนี้เราก็ต้องฝึกในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะในการที่เราจะปล่อยวางลมได้เร็วนะมันก็จะได้ช่วยให้เรา ทำงานต่อไปได้ด้วยความสุขเนี่ยก็มาฝึกตรงนี้ให้รู้จักรายรู้จักใจของของเรานะในขั้นแรกแล้วก็อาศัยความเคลื่อนไหวนี้ก่อนนะรู้ของหยาบหยาบไปก่อนนะเมื่อเราสามารถที่จะรู้สิ่งที่หยาบก็คือการเคลื่อนไหวได้ใจเข้าไปรับรู้ตรงนั้นได้ก็สามารถไปเห็นสิ่งที่ละเอียดก็คือจิตใจของเราในได้นะ จิตใจเรานี่เป็นของที่ละเอียดนะซึ่งเขาก็มีหลายๆอย่างที่แสดงมาได้เ่นเร็วแล้วก็หายไปเร็วด้วยนะเราก็จะได้สังเกตเขาได้เร็วนในลมต่างๆที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปว่าเขาเอ่อมาแล้ไปอย่างไรน ะ, นะเกี่ยวกับลมนี้จริงๆแล้วเมื่อเขาเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปผักใส่เขาว่าให้เขาต้องดับไปเร็วๆนะมันไม่จําเป็ น, นเพราะถ้าเราทำแบบนั้นก็จะกลายเป็นว่าการที่เขาดับไปเกิดจากฝีมือของเราอีกนะ เราก็จะไม่เห็นสภาวาธรรมที่เขาเกิดระดับจริงๆนะคือไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นของสภาวาธรรมที่เขาเกิดแล้วเขาดับของเขาเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เราก็ทนดูเข้าไปถึงแม้ว่าอารมณ์ขณะนั้นเราจะไม่ชอบนะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชนนะ์หรือเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นเขาแสดงสภาวาธรรมให้เราเห็นแล้วที่เขาเกิดขึ้นนะเราก็ใจเย็นๆดูเข้าไปนะในที่สุดเขาก็จะดับให้เราเห็น หลังนี้นเราก็จะจําสภาวะธรรมเนี่ยได้แม่นยำนะก็เมื่อจําได้แม่นยําแล้วนีจิตก็จะเริ่มเบือห่ายในอารมณ์เหล่านั้นนะก็เคยแนะนําบางคนนะบอกว่าเออมื่อเขาเกิดความโกรธก็ไม่ต้องไปรีบละก็หรอกนะไม่ต้องไปอะไรรวดเร็วให้สังเกตให้ชัดเจนก็คนนี้ก็วันหนึ่งก็เขาก็โกรธลูกเขามากนะเขาก็ด่าลูกเขยังรุนแรง ปรากวันนั้นก็มีความโกรธเกิดขึ้นมาบ่อยมากนะความโกรธนี้ตั้งอยู่นานเลยดับไปแล้วเดี๋ยวเขาก็บนเกิดขึ้นมาอีกนะจากความคิดเนะี่ยทําให้โกรธขึ้นมาอีกทั้งวันะเขาก็ค่อยสังเกตในตรงนี้เออมันเป็นยังไงนะจนเขาเริ่มเข้าใจแนลมตัวเองเห็นความโกรธเป็นความทุกข์จริงๆนะมีแต่ความทุกข์ทั้งวันพอหลังนั้นจิตก็เลยค่อยๆที่จะคลายออกนะมันก็เลยว่า เมื่อเมื่อลูกเขาทําเช่ น, นั้นใหม่จากเมื่อก่อนที่เคยดา่าก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากจะด่าแล้วนะใจว่าไปพูดกับลูกเขาดีๆนะเพราะเขารู้แล้วว่าติดมันรู้แล้วว่าความโกรดนั้นนาความทุกข์มาให้เขาติดก็เลยไม่อยากจะโกรธอีกนะก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจำเมื่อก่อนที่เป็นคนด่าเก่งก็เลยความการที่ด่านี่ก็เลยน้อยลง พอหลังจากนั้นลูกเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะทุกวันนี้ลูกก็อาใจใส่กิจการงานดีนตัวเองก็ความโกรธก็เบาลงไปเยอะ น, ะนี่จะเกิดจากว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าความโกรธเป็นความทุกข์เนา ะ, ะก็คือจิตนี่มันเข้าใจในความอารมณ์ทั้งหลายแหละมันก็นําความทุกข์มาทั้งนั้นเมื่อเราเข้าไปในรมเหล่านั้นก็จะนําความทุกข์มาให้เราด้วยความเข้าใจของจิตเช่นเนี้ยจิตเขาก็จะเริ่มที่จะไม่ยึดถืออารมณ์ต่างๆมากขึ้นนะ ความมันโกรธเก่งก็เลยเบาลงนะจากการดีสามารถสังเกต จ, จิตตัวเองได้นั่นเองน ะ, ะเพราะฉะนั้นก็คือให้จิตเขาเรียนรู้นั่นเองว่าอะไรที่มันดีหรือไม่ดีโดยตัวเขาเองอเรามีหน้าที่แค่ให้จิตเขาเรียนรู้เท่านั้นเองในความดีและไม่ดีทั้งหลาย อ, อย่างเช่นบางคนถ้าเคยอกหักนะเคยอกหักก็จะเริ่มเข้าใจแล้วเออความอกหักเป็นอย่างไรนะมันนำความทุกข์มาเราอย่างไร มันความทุกข์ทั้งนี้มันมีมากมายนะบางคนฆ่าตัวตายก็เพราะผูกหักก็มีตั้งเยอะนะแต่ถ้าใครที่สามารถผ่านอารมณ์เหล่านั้นมาได้และสังเกตตัวเองใน อ, งอารมณ์เหล่านั้นนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วมันดับไปได้ได้ไดอย่างไรอนะ่โดยที่เราไม่ไปแทรกแซงมันโดยวิธีการต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นฆ่าตัวตายเป็นต้นนะหรือไปฆ่าคนอื่นเขาต่างๆเหล่านี้นะอ่มันก็จะได้สังเกตอ่า สภาวะรมเราเนี่ยได้ชัดเจนอีกหน่อยเราจะเริ่มรู้แล้วเอออารมณ์นั้นเป็นอย่างไรเราก็ไม่หลงเขาาเ้าไปในสิ่งเหล่านั้นอีกนะซึ่งมันนำความทุกข์ไหมกับเราทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมีเยอะมากนะฆ่ากันตายไปทำแทงไปรักขโมยเสพยาเสพติดนสิ่งเหล่านี้คือคนเนี่ยทำตามกิเลสทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่เคยศึกษาตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันนำด้ความทุกข์มาให้เรา ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีทั้งหลายทำให้สังคมเดือดร้อนจริงๆแล้วมันก็นำความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นนะบางคนไปลักขโมยของใครเขาหรือไปฆ่าใครเขาตายเนี่ยนึกว่าเราหนีมาได้มีความสุขแต่จริงๆแล้วไปดูก็ไม่มีความสุขหรอกพอเห็นไปสนีใส่สี ก, กีมาก็หลบเลยนึกว่าตารวจมามันก็เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะไม่มีใครมีความสุขแท้จริง แต่คนเราไม่เคยเรียนรู้ในตรงนี้นะไม่เคยเรียนรู้มันก็ทำผิดอยู่บ่อยๆเพราะนั้นถ้าจิตของเราสามารถที่จะเข้าใจในความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากลมต่างๆได้อย่างแท้จริงว่าสิ่ ง, งนั้นเป็นความทุกข์แล้วเขาก็จะปล่อยจะวางเขาเองนะอย่างที่ว่าน่คนที่สุบรุรีหรือทานเหล้าเนี่แหละจริงๆแล้วไม่ได้บอกให้เขาเลิกหรอกแต่ว่าเขารู้นะในโทษภัยเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรนะ สูบบุหรี่บ่อยๆก็เป็นมะเร็งในปอดเป็นโรคถุงลมป่งพองมันทรมานมากเนาะานเหล้าบ่อยๆนะมันก็เป็นโรคตับแข็งเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมานะแล้วก็จากเป็นคนดีๆก็กลายเป็นคนน่าเกลียดนะทำสิ่งนี้น่าเกลียดที่ไม่เคยทำมาก่อนสังคมก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ถ้าเขารู้ความจริงก็เลิกเขาเองนะ เพราะนั้นจิตใจของเราเนี่เราก็ต้องให้เขารู้ความจริงในลมต่างว่ามันเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ว่าทําตามกิเลส ข, ของเขาทุกอย่างแล้วจิตมันก็จะไม่เคยชินที่จะเรียนรู้กิเลสตัวเองนะมันจะไม่ไ ม, ไม่รู้จักความทุกข์ที่เกิดจากจิตไปยึดอารมณ์เหล่านั้นนะจิตก็จะมีความทุกข์ตลอดไปนะแต่ถ้าจิตได้เรียนรู้แล้วจิตก็จะปล่อยโดยตัวของตัวเองเนะได้นะก็ใส่ตรงนี้มาเรียนรู้จิตกันนะว่าเป็นอย่างไรหนะ้า ซึ่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกแล้วว่าสัพพะปัสสะกระนังนะการไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลสูระ ส, สมทานะการทํากุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทะปนังการชําระจิตของตนให้ข่าวรอบอตังพุทธานาสะกระนังนี้คือคาสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าก็บอกให้เราเนี่ยไม่ทําบาปทั้งปวงนะการไม่ทําบาปทั้งปวงนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราเอาไปทําทางกายอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์อย่างเดียว แต่ว่าการทำกรรมมันสามารถทำได้3มอย่างคือทางกายทางวาจาทางใจนะวาจาในเราก็อย่าไปดาไ่าใครด้วยนะการที่เราไปดาไ่าใครไปนินทาใครไปติฉินใครไปวิพาวิจารใครต่างๆแล่านี่ก็เป็นกรรมทางวาจาหมดนะเป็นการส่อเสียดนะเป็นการพูดเพ้อเจอ้อนะเป็นการพูดในสิ่งที่นะไม่มีประโยชน์นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเป็นกรรม นะในจิตใจแล้วก็เหมือนกันนะเออบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ด่าแต่จิตเราไปคิดในทางไม่ดีนะเชออ่นบางทีคิดในทางอิจฉาคนอื่นเขานะคิดอยากจะให้คนอื่นเขาแย่กว่าเรานะออหรือไม่ก็นึกด่าคนทั้งวันนะหรือไม่ก็นึกนินทาคนทั้งวันนะนึกในทางไม่ดีกับเขานะอันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรรมทางทางจิตนะทางมโนกรรมอีกนะนะ เพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสซึ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะจริงๆแล้วมันก็มาจากจิตเราก่อนนะเราไปคิดไม่ดีกับใครก่กอนแล้วเนี่ยมันก็จะทําทางกายตามมานะม mm ัน hmm. เราก็ต้องระวังจุดเริ่มแรกก็คือความคิดนั่นเองนะอย่างที่ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วทิจใจ mm hmm. เมื่อจิตเราเนี่ยมันไม่ดีมันก็จะนําให้เราไปทําที่ไม่ดี แต่ถ้าตรงกันข้ามนะถ้าสามารถเราจ ะ, ะให้จิตเราดีได้แล้วเนี่ยฝึกให้จิตเราดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมาหมดนะไม่ว่าจะกายว่าจใจก็ตามมากันหมดในทางที่ดีนะเราก็เอาตรงเนี้ยมามาฝึกปฏิบัติในตรงนี้พัฒนาจิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะให้จิตเรารู้จักความจริงนะรู้จักความจริงในความทุกข์ทั้งหลายแหลนะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะความทุกข์ก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะที่เราจะต้องรู้เท่าทัน ในความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวความเบื่อหน่ายทั้งหลายนะรู้จักเขาให้ให้ชัดเจนแล้วก็บางอย่างที่เราอดทนได้ก็อดทนอย่าไปทําตามเขาทุกอย่างเนาะเป็นการที่เราเรียนรู้จิตเราเองให้จิตเราเนี่ยซึมซับกับสภาวะธรรมจริงๆแล้วให้เขาเรียนรู้จนเขาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเขาก็จะปล่อยก็จะวางของเขาเองนะ เมื่อนั้นความทุกข์เราก็จะน้อยลงนะในที่สุดเราก็จะหมดสิ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงนะในสุดท้ายนี้ขอทุกท่านนะมีความจเจริญงอกงามในธรรมจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเธิด